เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2551เป็นวันธรรมัทธสวรนะเป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานเพื่อจะได้มาทำประโยชน์สร้างความสุขให้กับจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่มีอะไรจะสำคัญ กับใจถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็จะดีหมดถ้าใจไม่ดีทุกอย่างก็จะไม่ดีหมดใจก็เปรียบเหมือนกับตาดวงตาที่ใส่แว่นถ้าแว่นมันสกรปรกมันเปื้อนมองมองก็มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นมันก็มัวไม่ชัดมันก็ไม่ดี แต่ถ้าแว่นตาได้รับการชำระได้รับการเช็ดอยู่เรื่อยๆถูอยู่เรื่อยๆให้สะอาดเวลามองอะไรก็จะเห็นสสะอาดไปเห็นดีจันใจเราก็เป็นอย่างนั้นใจเราถ้ามีความสุขแล้วจะมีมากมีน้อยก็ไม่สำคัญอะไรใจเราถ้าไม่มีความสุขแล้วต่อให้มีมากเพียงไรก็ ไม่มีความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ใจและความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามาดูแลรักษาใจของเราด้วยการให้คือทานด้วยการระ ง, งับการเบียดเบียนผู้อื่นคือศีลด้วยการปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สว่างด้วยแสงสว่างแห่งธรรม ถ้าใจได้รับการดูแลดีแล้วใจจะมีความสุขและจะไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรมากไปกว่าความสุขของใจนี้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหาันตสาวกทั้งหลายท่านได้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบรมสุขบรมังสุขขังท่านเลยไม่ปรารถนายางอื่น ท่านใช้ชีวิตอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมีเพียงส่วนที่จําเป็นต่อการดูแลอัตภาพร่างกายไปเท่านั้นแต่สิ่งอื่นนั้นท่านไม่มีเหมือนพวกเราท่านไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุเครื่องเล่นภาพเครื่องเล่นเสียงหรือไปหาความสุขตามสถานที่ต่างๆ ท่านไม่ได้มีความต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นท่านไม่ได้ให้ความสุขกับท่านเหมือนกับความสงบความสะอาดของจิตใจพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราจึงควรให้ความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพยายามเอาท่านมาเป็นแบบฉบับ เอาเป็นเยี่ยงอย่างท่านอยู่อย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็ควรที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติตามเพราะท่านได้พิสูจน์มาแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับจิตใจที่มีความสุขมีความสงบจิตใจที่ได้รับการอบรมด้วยการ ปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลด้วยการให้ทานนี่คือเรียกว่าเคล็ดลับของชีวิตก็ได้ที่พวกเรามักจะมองไม่เห็นกันเรามักจะมองตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็เพราะว่าตาเราเหมือนกับคนตาบอดหรือคนตามวัวมองไม่เห็นมองไม่ชัด ไม่เหมือนกับตาของคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันรักกันชื่นชมยินดีอยากจะมีไว้เป็นสมบัตินั้นล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครรู้ถ้าพวกเรารู้อย่างพอพระพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่สแสวงหาหรือยึดติดกับลูกระเบิดเวลาเหล่านี้ลูกระเบิดเวลาเหล่านี้คืออะไรก็คือลาบเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยศคือตาแหน่งต่างๆสรรเสริญ คือการได้รับการยกย่องได้รับการกล่าวชงและการมาสุขคือความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดปูดจักพะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่มันผู้ใดถ้าไปหลงระยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้แล้ว จิตใจจะต้องวุ่นวายจะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเจริญได้มันก็มีการเสรื่อมได้ท่านถึงสอนว่าลาบยศจะ ร, ส, รสุขนี้มีทั้งส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อมเจริญลาบก็มีเสื่อมลาบ เจริญยศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายก็มีความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้งกายเช่นเดียวกันผู้ที่ฉลาดจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับเยื่อ<ม>ที่ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นแล้วก็จะไม่ไปคุบเยื่อ<ม>เพราะรู้ว่า มีเบ็ดติดอยู่กับเหยื่อนั่นเองถ้าพุ่เหยื่อเข้าไปก็จะต้องถูกตะขอของเบ็ดนั้นเกี่ยวคออย่างแน่นอนคนฉลาดจะเห็นอย่างนี้เห็นว่าลาบยศเสริญสุขนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเรามันเป็นเหตุที่จะทำให้เรา มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกวันนี้ที่พวกเราทุ ก, กัน ก, ท ก, กน็ทุกกับเรื่องราวเหล่านีท้ทุกกับเรื่องลาบเรื่องเงินเรื่องทองทุกกับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งทุกกับเรื่องการสรรเสริญทุกกับเรื่องการเสพการมศมันเพราะว่าเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า ที่จะเห็นโทษของมันนั่นเองเราจึงหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้และก็ทุกข์กับมันเพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่อย่างนี้มาก่อนท่านก็มีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขเพราะท่านเป็นถึงพระราชาคุมารเป็นรูปของพระเจ้าแผ่นดินคิดดูก็แล้วกันว่าจะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรจะมีฐานะสูงส่งขนาดไหน มีคนคอยยกย่องสรรเสริญสรรเสริญเยือนยออ ย, น อ, ยยนอยู่มากน้อยเพียงไรจะมีความสุขทางตาหูจมูกบิ้นกาอยู่มากน้อยเพียงไรแต่ท่านก็ยังเห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขแก่จิตใจจิตใจกลับต้องมาห่วงมากังวลมามาหวาดระแวงกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนไปหรือจะต้องหมดไป พราเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปหรือหมดไปจิตใจก็จะต้องมีความทุกข์หรือไม่เช่นนั้นร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องแก่ชะลาลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงเวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายทางตาทางหูทางทางจมูกทางลิ้นทางกายได้ สมบัติเข้าของเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะเซื้อความสุขได้เพราะร่างกายไม่มีความสามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาได้แล้วนั่นเองอดังนั้นเมื่อพระ อ, องค์ทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องราบยศสรรเสริญสุข เรกศึกษาดูว่ามีความสุขที่ไหนบ้างที่เป็นความสุขที่แท้จริงก็ทรงพบว่าความสุขที่เกิดจากการจิตทําจิตใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการสละราชสมบัติสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายสละยุศถาบรรดาศักสละการสรรเสริญเยนยอต่างๆ เมื่อทรงเห็นว่าเป็นวิธีที่จะนำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงพระองค์ก็มีความกล้าหาญมีความแน่วแน่ที่จะแสวงหาความสุขทางนี้จึงได้สละราชสมบัติออกบวชเป็นสมณะไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เพื่อจเพื่อที่จะทำให้จิตใจนั้นได้รับความสงบได้รับความสุขเพราะถ้าจิจตใจตลาบใดถ้ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องราบยศ ส, สรเสญสุขอยู่จิตใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตใจจะต้องคอยดูแลรักษาคอยสแสวงหาราบยศสารเสญสุขอยู่เรื่อยๆ และต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาอยู่เรื่อยๆจนไม่มีกระลำเวลาที่จะทำใจให้สงบได้ผู้ที่แสวงหาความสุขความสงบทางจิตใจจึงต้องออกบวชกันต้องออกไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกที่ปราศจากรูปเสียงเกิดลดพลตะพระที่จะทำให้ใจ ต้องมาวิตกกังวลมาวุ่นวายมาฟุ้งซ่านกับเรื่องต่างๆที่เห็นก็ดีหรือที่ได้ยินก็ดีต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวแล้วก็เจริญสติคือให้มีสติคอยเฝ้าดูใจอยู่เสมอไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่อง ลาบยศสรเสริญสุขให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในความว่างให้อยู่ในความสงบถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เร็วใจก็จะว่างใจก็จะสงบแล้วถ้าใจว่างใจสงบเมื่อไหร่ใจก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกัน ความสุขของพวกเราเกิดจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี้ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มีความสุขแต่พอวันใดถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ได้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เฉยๆกับบ้านก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลียวว้าเหวใจ เพราะใจของเราไม่เคยได้รับการฝึกฝนอบลมให้อยู่เฉยๆให้สงบให้ว่างให้นิ่งนั่นเองใจของเรามันจะหมุนไปกับความคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดแล้วก็อดที่อยากจะไปทำตามความคิดไม่ได้คิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาคนนั้นคิดถึงสถานที่นั้นก็อยากจะไปคิดถึงอาหารชนิดนั้นก็อยากจะไปรับประทาน เพราะว่าเราไม่เคยควบคุมจิตใจของเราเราปล่อยจิตใจของเราให้มันไหลไปตามอำนาจของความโลภของความโกรธของความหลงมันจึงพาให้เราไปสแสวงหาสิ่งต่างๆที่พวกเราสแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยพบกับความสุขที่มีความอิ่มความพอแต่เป็นความสุขที่มีแต่ความหิว มีแต่ความอยากที่จะที่จะมีเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆออกไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกได้ของใหม่ๆมาในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้ของใหม่อีกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับเดินตะเดินตะครุบเงาของเราเองเงาของเรามันจะทอดอยู่ข้างหน้าเราพยายามเดิน เพื่อเพื่อที่จะไปจับเงาของเราพอเราเดินไปก้าวหนึ่งเงามันก็เดินไปก้าวหนึ่งเดินไปตามไปเท่าไหร่ก็ตามไม่มีที่ตามไม่ทันเงาจับเงาของเราไม่ได้ชันใดความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเงาที่เราคอยตะครุบอยู่ได้แล้วปับ๊บมันก็ไปมันก็ไปโผล่อยู่ข้างหน้าอีกแล้วหลอกให้เราอยากได้อีกแล้ว พอถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจถ้าได้ก็เกิดความอยากที่จะได้อีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้มาถ้าเกิดมันต้องจากเราไปเราก็เสียใจอีกเวลาอยู่กับเราเราก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ค่อยได้เลยมีแต่ความทุกข์ ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเช่นพระอริยะสงสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีสมบัติอะไรที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมาคอยห่วงไม่ต้องมาคอยกังวลใจของท่านก็มีแต่ความว่าง ไม่ได้คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงสถานที่นั้นสถานที่นี้ท่านอยู่ตรงไหนท่านก็มีความสุขให้นั่งเฉยๆก็มีความสุขให้เดินก็มีความสุขให้ยืนก็มีความสุขให้นอนก็มีความสุขเพราะใจไม่ได้มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนี่คือ ความวิเศษของใจอยู่ตรงนี้อยู่ที่การดับความอยากต่างๆให้หมดไปอยู่ที่การกาจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดไปซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเราต้องรู้จักเสียสละเราจะต้องสละสิ่งของต่างๆ ที่มันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่สิ่งเราต้องมีปัจจัยสี่แต่มากไปกว่า น, นั้นเราไม่ต้องมีเราก็อยู่ได้และเราจะมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำไปเราลองทดลองดูลองอยู่แบบอยู่กับปัจจัยสี่อย่างเดียวส่วนอื่นเราละไปเช่นเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุ หรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เราลองปิดมันเสียอย่าไปดูมันสักพักหนึ่งก็ได้ทดลองดูแลพยายามควบคุมจิตใจของเราอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องเครื่องบรรเทิงต่างๆถ้าเราดึงใจด้วยสติผูกมันไว้กับพุทโธก็ได้ผูกไว้กับลมหายใจก็ได้ผูกไว้กับผูกไว้ ก, กับการสวดมนต์ก็ได้ สวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบทใดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆคิดถึงเรื่องที่จะพาให้เราต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆถ้าใจไม่มีโอกาสคิดแล้วใจก็ก็จะไม่มีความอยาก แล้วใจก็จะว่างถ้าต่อไปใจก็จะนิ่งเฉยไม่คิดก็ได้อยู่เฉยเฉยก็ได้มีความสุขยิ่งกว่ายิ่งกว่าการที่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่คือการทำจิตใจในเบื้องต้นเราต้องสละของภายนอกก่อนของที่มันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เรามีอะไรที่มันไม่จำเป็นอย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเราเอาไปบอยจากได้ก็เอาไปบริจาคมีเงินทองที่เราเหลือใช้คือเรามีเก็บไว้แล้วเผื่อวันข้างหน้าแล้วยังมีเหลืออยู่ก็เอาไปทาบุญให้ทานอย่าเอาไปเอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อความสุขเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะมันจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมันจะมีมันจะทำให้เรามีความอยากเที่ยวมากขึ้นอยากซื้อของฟุ่งเฟยมากขึ้นจะทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะตอบสนองความอยากได้ คือถ้าเราไม่มีเงินทองพอใช้เราก็อาจจะต้องไปทําสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะหาเงินทองมาไปทําผิดศีลผิดธรรมไปทําผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปเพราะว่าอานาจของความอยากมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันอยากแล้วเมื่อได้ดังใจอยากมันจะทุกขทรมานใจ มันจะหมุดหงิดใจจะลำคาญใจแลวจะต้องหาวิธีหามาให้ได้แต่ถ้าเราเคยฝึกเคยควบคุมจิตใจด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีด้วยการสวดนมนต์ก็ดีความคิดที่เกิดความอยากที่เกิดจากความคิดพาไปนั้นมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาและถ้าเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมา เราก็จะรู้จักวิธีปราบมันได้เราก็พยายามอย่าไปคิดถึงมันเวลาคิดอยากได้อะไรก็หันมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปภายในใจไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราจะใช้ปัญญาก็ได้สอนใจว่าเราเกิดมานี้เราก็ได้ของมามากมายแล้วไปเที่ยวก็ไปเที่ยวมามากมายแล้ว ถ้าเราจะดีเราจะวิเศษถ้าเราจะมีความสุขที่แท้จริงเราก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วแต่ที่เรายังไม่มีก็เพราะว่าสิ่งที่เราแสวงหากันอยู่นี้มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงนั่นเองคือมันไม่ได้ให้ความสุขถาวรความอิ่มความพอมันให้ความสุขชั่วประเดียวประดาแล้วก็สร้างความหิวความอยากความต้องการขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องไปหามาใหม่เราก็เลยเป็นเหมือนาธาตของความอยากความอยากนี่เป็นเหมือนเจ้านายเราส่วนเรานี่เป็นเหมือนคนรับใช้ความอยากพอความอยากสั่งให้เราไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทั้งๆ ท, ที่ไม่จาเป็นไม่มีไม่ซื้อมาเราก็อยู่ได้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่เราก็อดไม่ได้เพราะเมื่อเราเดินไปเห็นอะไรเข้าที่ถูก ถูกใจเราความอยากมันก็จะสั่งเราทันทีว่าให้ไปเอาสิ่ง น, นั้นมาแล้วถ้าเราไม่ต่อต้านมันเราก็จะต้องเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปคิดว่าเรามีเงินทองมากๆมีตำแหน่งสูงๆแล้วเราจะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรม มันจะไปสร้างเวรสร้างกรรมที่ใหญ่ขึ้นกว่าคนที่มีตำแหน่งน้อยๆมีเงินน้อยๆคนมีเงินน้อยตำแหน่งน้อยก็สร้างเวรสร้างกรรมในระดับน้อยๆแต่คนที่มีตำแหน่งสูงตำแหน่งใหญ่มีเงินมากก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมระดับใหญ่เราก็เห็นได้ในในในชีวิตของคนต่างๆที่ปรากฏอยู่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไม่เคยได้มารักษาดูแลจิตใจของตอนนั้นเองไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เคยนําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปประพฤติธปฏิบัติมัวแต่ไปทําตามคําสั่งของความอยากความโลภต่างๆจนทําให้ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรม ไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วก็ต้องคอยหลบหนีกฎหมายหลบหนีเวรหนีกรรมแต่เวรกรรมนี้กฎหมายนี้พอจะหลบได้อาจจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นก็ได้แต่เวรกรรมนี้เป็นสิ่งที่หนีไม่ได้เวรกรรมนี้มันติดไปกับใจในเบื้องต้นมันก็ทําให้จิตใจมีแต่ความว่าวุ่นขนมัว กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความทุกข์มีความกังวลมีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมจะปรากฏมันก็จะปรากฏต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นเวรกรรมต่อให้เป็นพระอาหารหันต์ก็หนีไม่พ้นเวรกรรมถ้ายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวรกรรมมา มาจองล้านจองผรานพระอาหารหันตสาวงบางรูปก็มีเวรกรรมมาจองล้านจองพรานเหมือนกันแต่เวกรกรรมนี้สำหรับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์มันจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้วคือหลังจากที่ท่านดับขันธ์ บ, บรินิพานไปแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่เมื่อไม่กลับมาเกิดใหม่เวรกรรมต่างๆที่ได้สร้างไว้ ก็จะไม่มีที่ไปตามหาได้อีกแล้วเพราะไม่ได้มาเกิดนั่นเองแต่ถ้าตามใดเรายังไม่ได้ทําจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนของพระพุทธเจ้าเวรกรรมต่างๆที่เราสร้างไว้ถึงแม้มันยังไม่ได้ตามมาในยังตามมาไม่ทันในชาตินี้มันก็จะตามในชาติหน้าต่อไปเพราะเวรกรรมนี้เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของของธรรมชาติมันไม่มีใครไปสามารถยุติมันได้นอกจากการไม่เกิดเท่านั้นที่จะสามารถดับหยุดเวรหยุดกรรมทั้งหลายต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเป้าหมายของของคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากเวรกรรมทั้งหลายด้วยการประพุทธปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอให้เรารักษศียศีลอยู่ให้บริสุทธิ์และให้เราบาเพ็ญควบคุมจิตใจของเราด้วยการเจริญสติด้วยการเจรเจิญปัญญาเพื่อทำให้จิตใจของเราสงบสะอาด ทำให้จิตใจของเราว่างไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่ไปคิดสร้างเวณสร้างกรรมต่างๆถ้าเราสามารถทำได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบและก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นสุด เกินความสามารถของพวกเราทุกคนที่จะทําได้เพียงแต่ควบคุมใจของเราด้วยสติพยายามดึงใจของเราอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปยื่อยคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดถ้าจะคิดเรื่องจําเป็นก็คิดด้วยเหตุด้วยผลควบคุมด้วยสติเช่นเราต้องทําอะไรเราก็คิดไปวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเราก็คิดไปเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดคิด เอาใจเข้ามาให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเลือกสวดมนต์ไปเรื่อยเื่ใจจะเย็นใจจะสบายใจจะมองเห็นอะไรแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ไม่มีความอยากได้เหมือนเมื่อก่อนไม่มีความวุ่นวายใจเหมือนเมื่อก่อนถ้าใจไม่นิ่งใจไม่สงบแล้วเวลาเห็นอะไรจะเกิดความรักเกิดความชั่ขึ้นมา ท, าทันทีเวลาเกิดความรักก็เกิดความอยากได้ เวลาเกิดความชังก็เกิดความเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจแต่ถ้าใจไม่คิดไม่ปรุงมองอะไรเห็นอะไรก็สั์แต่ว่าเห็นไม่คิดไม่ปรุงว่าดีว่าชั่วเห็นเฉยเฉยมันก็จะไม่รู้สึกมีความวุ่นวายใจแต่อย่างใดเราจะอยู่ได้อย่างแยะได้อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วถ้าใจเราไม่ไปปรุงว่ามันดีหรือว่ามันชั่วมันก็จะไม่มาทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเห็นอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกฝนตกก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วแดดออกก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่ ว, วแต่ถ้าเราไปคิดไปปรุงไปแต่งแล้วฝนตกแดดออกก็ดีชั่วได้เหมือนกันเช่นคนอยาก คนทำนาก็อยากจะให้ฝนตกพอฝนไม่ตกก็ไม่สบายใจพอฝนตกก็ดีใจหรือว่าถ้าฝนตกมากไปก็ไม่สบายใจอีกน้ำท่วมมากไปนี่เป็นเพราะใจไปคิดไปปรุงไปแต่งไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าใจเราไม่คิดปรุงแต่งใจเราเพียงแต่รับรู้ตามความจริงจะเป็นอย่างไรก็รู้ตามความจริง ไม่หวังไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆที่เราเห็นใจของเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วเราจะไม่วิตกกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วชีวิตของเรามันก็จะต้องไปสู่จุดจบของมันโดยดีจะอยู่อย่างดีขนาดไหนก็ตามจะสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามเมือ่อเมื่อถึงเวลามันก็จะ หมดไปจะทุกข์จะยากจะลําบากอย่างไรเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดไปแต่ใจนี้ไม่ได้หมดไปกับสิ่งต่างๆและถ้าใจมีความสุขความสุขนี้ก็ไม่หมดไปกับกับการหมดไปของสิ่งต่างๆเพราะความสุขนี้ไม่ได้ผูกไว้กับสิ่งต่างๆนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่ยังผูกไว้กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอเราต้องจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปรหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไปเราก็มีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราจึงควรหันใจของเราให้เข้าข้างในให้เข้าหาความสุขข้างในพยายามตัดพยายามปล่อยวางความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกอย่าไปผูกความสุขของเราไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบคนนั้นคนนี้เพราะเป็นสิ่งไม่เที่ยงทั้งนั้น มีมีโอกาสที่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากของไปเมื่อถึงเวลานั้นเราจะต้องทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเราหันเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจของเราเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้หรือแม้แต่ร่างกายของเรามันจะไม่ไปกระทบกับความสุขภายในใจของเรา นี่คือจุดหมายเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่พระอริยสงฆ์สาวกที่พระธรรมคําำคำสอนชี้ให้พวกเราเข้าไปเข้าไปหาก็ให้เข้าไปหาตรงจุดนี้ไปหาความสุขภายในใจของเราภายในตัวของเราด้วยการปล่อยวางต่างๆด้วยการให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการควบคุมจิตใจของเราด้วยสติและสอนใจด้วยปัญญา ถ้าเราสามารถทำได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเช่นเดียวกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวุทั้งหลายได้พบได้ได้มีไว้เป็นสมบัติจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญต่อการมาวัดต่อการบําเพ็ญต่อการดูแลรักษาใจของท่านพยายามรักษาให อยู่ให้ได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะดีเลิศแล้วเมื่อดีเลิศแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลมันอีกต่อไปมันจะดูแลของมันเองได้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นไปตลอดจะไม่เสื่อมจะไม่สลายไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้เราดูแลรักษาเท่าไหร่มันก็จะเสื่อมอยู่เรื่อยมันก็จะเสียอยู่เรื่อยต้องคอยดูแลอยู่เรื่อยๆ จึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธานประสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ